วันนี้เป็นวันจันทร์ที่13มสิงหาคมพุทธศักราช2561เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องจากวันแม่แห่งชาติไปตรงกับวันอาทิตย์ที่12ที่ผ่านมาทางราชการ ยังให้มีวันหยุดเ ช, ดชยหนึ่งวันทางศาสนาทางพุทธศาสนกชนก็จะเอว่าเป็นวันกำไรบุญกำไรบุญเพราะว่ามีเวลาได้มาทำบุญอีกหนึ่งวันนั่นเอง ถ้าไม่มีการหยุดชดเชยวันนี้ก็ต้องไปทำงานทำการกันก็จะไม่ได้มาทำบุญกันการทำบุญนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อจิตใจของพวกเราทุกคนเป็นที่พึ่งของจิตใจ เหมือนกับปัจจัยสี่ที่เป็นที่พึ่งของร่างกายร่างกายจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ที่สมบูรณ์คือมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคร่างกายถึงจะอยู่ได้อย่าง เป็นปกติสุขไม่อดยากขาดแคลนไม่ทุกข์ยากลำบากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีที่พึ่งคือมีปัจจัยสี่เช่นเดียวกับร่างกายปัจจัยสี่ของใจ เรียกว่าบุญชนิดต่างๆอาหารของใจก็คือบุญที่เกิดจากการทําทานเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลที่อยู่อาศัยของใจก็คือบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบและยารักษาโรคของใจก็คือบุญที่ได้จากการเจริญปัญญานี่คือบุญชนิดต่างๆที่เปรียบเหมือนปัจจัยสีที่จิตใจต้องพึ่งพาอาศัย เหมือนกับร่างกายที่ต้องพึ่งพาอาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแลง้การทำบุญจึงเป็นภารกิจที่สำคัญและสำคัญมากกว่าภารกิจของการเลี้ยงดูร่างกายเพราะร่างกายกับจิตใจนี้มีความแตกต่างกัน มากในเรื่องของอายุไข่ร่างกายนี้มีอายุที่ไม่เกินร้อยส่วนมากไม่ถึงร้อยเกินร้อยก็มีบ้างแต่ไม่มากพอถึงอายุไขของร่างกายร่างกายก็หมดสภาพไป ทำอะไรดีขนาดไหนให้แก่ร่างกายก็ไม่สามารถยับยั้งความตายของร่างกายได้ส่วนจิตใจนี่ดีกว่าร่างกายหลายเท่าเพราะจิตใจไม่มีวันตายปจัจจัยสี่ที่เราหาให้แก่จิตใจจะอยู่กับจิตใจไป จะดูแลรักษาจิตใจให้อยู่อย่างเล่มร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดอนันตการปัจจัยสี่ของร่างกายหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดมันก็ไม่สามารถรักษาดูแลร่างกายได้ร่างกายก็ต้องหมดสภาพไป ปัจจัยสี่ที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปแต่ปัจจัยสี่ของใจนี้ใจจะเป็นผู้ครอบครองไปตลอดปัจจัยสี่จะเป็นปัจจัยสี่ของใจคือทานศีลสมาธิปัญญาจะรักษาใจให้อยู่อย่างมีความสุขไปตลอด กำจัดความทุกข์ต่างๆภัยต่างๆไม่ให้เข้ามาทำลายจิตใจมาเบียดเบียนจิตใจมากระทบกับจิตใจงานการทำบุญจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่พวกเรามักจะมองมักจะไม่เข้าใจกันกลับไปให้ความสำคัญต่อภารกิจ ทางร่างกายกันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันเราใช้เวลาไปกับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายถึงห้าวันด้วยกันไปทำงานกันเพื่อไปหาปัจจัยสี่กันส่วนจิตใจที่มีความสำคัญมีคุณค่ามากมายเรากลับไม่ค่อย ให้เวลากับการหาปัจจัยสี่ให้แก่ จ, จิตใจเพราะว่าจิตใจของพวกเราถูกความหลงครอบงำทำให้เรามองไม่เห็นความสำคัญของจิตใจกลับไปมองเห็นความสำคัญของร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เห็นได้ แต่จิตใจนี้เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเราเลยไม่รู้ความจริงของจิตใจว่าเป็นอะไรกันแนะ่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหรือไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนใหญ่ความหลงก็จะบอกให้เราคิดว่าจิตใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ้า mm. เราเลี้ยงดูร่างกายดี จิตใจก็จะดีตามไปด้วยถ้าร่างกายมีความสุขจิตใจก็จะมีความสุขไปด้วยแต่นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายท่านได้พิสูจน์นะว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันการเลี้ยงดูร่างกาย ให้อยู่อย่างสุขสบายไม่ได้ทำให้จิตใจสุขสบายตามร่างกายไปจิตใจจะสุขสบายจิตใจต้องมีบุญร่างกายจะสุขสบายร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ร่างกายของพวกเราทุกคนนี้มีปัจจัยสี่เหลือเฟือ่อมีความสุขสบายกันทุกคน แต่ทำไมจิตใจของพวกเรายัางวุ่นวายกันยังไม่มีความสุขเหมือนกับร่างกายก็เพราะว่าจิตใจนั้นเป็นคนละคนกับร่างกายเราไปคิดว่าเราดูแลจิตใจด้วยการดูแลร่างกายร่างกายเราจึงสุขสบายปลอดภัยจากภัยต่างๆ ใจกับของพวกเรากับทุกข์กันกับไม่สบายใจกันกับมีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆมาคอยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะว่าเราไม่ได้มาให้เวลากับการทำบุญสร้างปัจจัยสี่ให้แก่ใจนั่นเอง นี่แหละคือสิ่งที่คนทั่วไปปุตุชนทั่วไปนี่จะไม่รู้เรื่องนี้กันไม่รู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันและเหตุที่ทำให้ร่างกายกับจิตใจมีความสุขไม่มีความทุกข์ก็เป็นคนละเหตุกันนี่จึง เป็นโชคเป็นวาสนาของชาวพุทธที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ความจริงแก่พุทธศาสนิ ก, กชนให้รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนตะส่วนกัน ร่างกายก็ต้องดูแลตามความเหมาะสมของร่างกายแต่การดูแลร่างกายเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงเพราะละเพราะจิตใจไม่ได้รับการดูแลด้วยจิตใจนี้ต้องมีบุญเป็นผู้ดูแลเป็นผู้สนับส น, นุนนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนายังสอนให้เราทำบุญกันทำบุญบุญในความคำคำว่าบุญก็แปลว่าความอิ่มความสุขใจความสบายใจความความสุขใจความสบายใจความอิ่มใจก็เกิดจากการกระทำชนิดต่างๆเช่นทานคือการให้น การให้ก็เรียกว่าบุญอย่างหนึ่งทาทานแล้วใจจะมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจรักษาศีลก็จะทำให้ใจปลอดภัยจากภัยต่างๆและทำให้จิตใจสวยงามนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็เหมือนสร้างบ้านให้แก่จิตใจให้จิตใจมีที่หลบ เวลามีพายุต่างๆเหมือนกับร่างกายถ้าไม่มีที่หลบร่างกายเดือดร้อนได้จิตใจก็มเมลามีมลภาวะสะสมทางชีวิตเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆก็ถ้าจิตใจไม่มีที่หลบที่หลบภัยจิตใจก็เดือดร้อนได้โรคภยยัยไข้เจ็บของจิตใจก็คือความเครียดต่างๆ ความทุกข์ต่างๆก็ต้องอาศัยปัญญาอที่เป็นเหมือนยาที่เรียกว่าธรรมโอสถเนี่ยธรรมโอสถคือยาที่จะมารักษาใจให้หายจากความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆเราจึงพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำมาทำบุญกันเอ ทำบุญสี่ชนิดนี่ทำบุญข้อที่หนึ่งก็คือให้ทำทานการทำทานนี้เปรียนเหมือนกับการให้อาหารแก่จิตใจเวลาเราทำทานคือเราเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองสิ่งของที่เรามีเกินที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ใช้ส่วนเกิน เราเก็บไว้เฉยๆก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเอาไปใช้ก็อาจจะเกิดโทษกับจิตใจถ้าใช้ไม่เป็นเอ็น้าเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆจะเอาไปใช้เพื่อหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการใช้เงินทองแบบนี้เป็นโทษกับจิตใจาะเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดมาเสพนั่นเอง เพราะถ้าเราใช้เงินไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวกันไปซื้อของไม่จำเป็นของฟุ่มเฟือยต่างๆพอใช้แล้วมันก็จะติดมันจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจก็จะมีความทุกข์เหมือนกับคนติดยาเสพติดนะดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าถ้าเรามีเงินเหลือเกินที่เราจะใช้กับร่างกายของเรา ถ, ถ้าจะใช้ก็เอามาทำบุญทำทานเอามาเลี้ยงดูจิตใจเราเอาเงินส่วนหนึ่งเราเลี้ยงดูร่างกายเสื้ออาหารเสื้ออะไรต่างๆที่ร่างกายต้องการ ซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคให้แก่ร่างกายมีพอเพียงปัจจัยสี่มีพอเพียงมีเหลือเฟือและยังมีเงินทองเหลืออยู่อีกก็ให้เอามาเลี้ยงดูจิตใจบ้างเอามาทำทานการทำทานนี้เป็นเหมือนกับการซื้ออาหารไม่ใช่ซื้ อ, อยาเสพติด ทำทานแล้วจะทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขมีความพอจะไม่ติดกับการที่จะไปซื้อของต่างๆซื้อความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าการทำทานนี้เป็นอาหารของใจไม่ได้ทำให้ใจหิวแต่ทาให้ใจอิ่ม ทำบุญทำทานแล้วใจจะมีความอิ่มอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนถ้าเอาเงินไปซื้อสิ่งของต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจะสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้ซื้อสิ่งต่างๆแล้วเดี๋ยวผ่านไปไม่นานก็เกิดความหิวอยากจะซื้อของอีกอยากจะไปเที่ยวอีก อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกองถ้าไม่ได้ทาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอ่านี่คืออาหารของใจคือการทําทานนี้เองทุกครั้งที่เราทาบุญทาทานนี้เท่ากับการซื้ออาหารมาให้แก่จิตใจทำให้จิตใจมี ความสุขมีความอิ่มมีพลังมีพลังที่จะเดินไปข้างหน้าที่จะไปะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราถูกสอนให้ทำกันอยู่อย่างสม่ำเสมอควรจะทำเหมือนกับการรับประทานอาหารของร่างกาย ร่างกายเราก็รับประทานอาหารกันอย่างสม่ำเสมอเราก็ควรที่จะทำบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอเราจึงมีพระสงฆ์มาบินฑบาตอันนี้เป็นอุบายความคิดของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ทั้งผู้ให้และประโยชน์ทั้งผู้รับผู้ใสบาตร ก็จะได้ทำทานจะได้อาหารแก่ใจผู้บินระบาทก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปทำมาหากินเพราะพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายอยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติ ทมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าต้องไปทามาหากินก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปได้พระพุทธเจ้าเลยสอนให้พระภิกษุทุกลูกนี้ออกบินธบาดกันไปโปรดสัตว์โปรดญาติโยม ญาติโยมจะได้ทำบุญญาติโยมจะได้มีอาหารให้แก่จิตใจของญาติโยมส่วนพระภิกษุก็จะได้อาหารทางร่างกายของพระภิกษุเพื่อที่ร่างกายของพระภิกษุจะได้อยู่สุขสบายนอกจากบิณฑบาตก็ถวายผ้าจีวรสร้างกุฏิที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคต่างๆให้แก่พระภิกษุนักบวชเพื่อพระภิกษุจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมาเสียเวลากับการเลี้ยงดูร่างกายหาเงินหาทองทำงานทำการเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายเพราะถ้าต้องทำงานทำการเหมือนกับญาติโยมพระภิกษุก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรม เพื่อมาบรรลุธรรมแล้วหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วจะได้เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนคือญาติโยมเพราะญาติโยมถ้าไม่มีพระภิกษุที่บวชศึกษาปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็จะไม่มีที่พึ่งผู้สั่งสอนคือไม่มีพระพระอริยสงฆ์สาวก มาเป็นผู้สอนผู้บอกให้รู้จักวิธีเลี้ยงดูจิตใจให้อยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขแค้วคาดปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ของผู้ให้ผู้ให้เสียเงินทองเข้าของไปแต่ได้รับอาหารที่เป็น สิ่งที่จำเป็นต่อจิตใจส่วนพระภิกษุก็ได้อาหารทางร่างกายไปได้ปัจจัยสี่ทางร่างกายจะได้มีเวลาไปปฏิบัติไปศึกษาไม่ต้องมาทำงานทำการเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของญาติโยมต่อไปหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้ว ก็จะมาเป็นผู้คอยสอนคอยบอกให้ญาติโยมให้รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเช่นวันนี้ก็มาสอนญาติโยมพระภิกษุก็มาสอนญาติโยมให้มาทาบุญทำทานให้มาสร้างปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจถ้าจิตใจมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์จิตใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ หลุดพ้นจากภัยต่างๆจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการทาทานเราจึงมักจะมุ่งมาที่พระศาสนาเป็นจุดแรกก่อนของการทาบุญทาทานเพราะเราเห็นความเห็นคุณค่าของการสนับสนุนพระพุทธศาสนาสนับสนุนพระภิกษุ ที่มาบวชในบรวรของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นเหมือนที่พึ่งของเรานั่นเองเป็นล่มโพล่มใสเราต้องดูแลต้นโพรต้องปลูกต้นโพกันปลูกให้ต้นโพเจริญ ต, ติบโตใหญ่โตเพราะเราเป็นเหมือนนกเหมือนกาถ้ามีต้นโพต้นไทก็จะมีที่ เพิ่งมีอาหารพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ที่เราจะมุ่งมาทำบุญทำทานกันเป็นจุดแรกเพราะว่ามันเป็นจะได้ประโยชน์กับเราต่อไปได้รับประโยชน์เพราะเราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนานั่นเองถ้าเราไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะ เสื่อมและหมดไปได้ถ้าไม่ไม่มีใค ร, ใคราศาสนาไม่มีใครสนับสนุนาศาสนาก็จะไม่มีใครมาบวชกันเพราะถ้ามาบวชแล้วไม่มีใครใส่บาตรต้องไปหาเงินหาข้าวหาเงินหาทองเพื่อมาอซื้ออาหารมาทำอาหารกันก็จะไม่ได้มา มาเรียนรู้มาปฏิบัติเวลาไม่มีก็เหมือนกับไม่ได้บวชการมาบวชก็ไม่มีความหมายอะไรถ้ามาบวชแล้วต้องทามาหากินเหมือนกับตอนที่เป็นคารวาะญาติอยู่นี่คือการทำทานว่าทำไมเราจรึงชาวพุทธเราจรึงมุ่งมาทำที่วัดก่อนแต่ความการทำทานจริงๆนี้ ไม่ได้ต้องมาทำที่วัดเพียงที่เดียวเท่านั้นการทำทานคือการให้การแบ่งปันความสุขจากเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี่เราสามารถให้กับทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ที่มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราให้ได้กับทุกคนใครที่เขาทุกทุกได้ยากเดือดร้อนแล้วเราให้ความช่วยเหลือกับเขานี่ เราก็ได้บุญเหมือนกันอันนี้พูดไว้เผื่อในกรณีที่เราไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้วัดอยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกแต่เราอยากจะทำบุญอยากจะซื้ออาหารให้แก่จิตใจเราก็สามารถทำกับใครก็ได้ที่เราเห็นว่าเขาเดือดร้อนเพราะว่า เวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากมันจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทากับคนที่เขาไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะเราจะไม่เห็นประโยชน์จากการที่เราให้เงินเขาไปจะเอาเงินไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็มีเหลือกินเหลือใช้ ให้เขาแล้วเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรเขาอาจจะไปะโยนทิ้งก็ได้เราก็เลยอาจจะไม่เห็นประโยชน์เห็นผลที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันของเราเราก็เลยจะไม่มีความรู้สึกมีความสุขใจอิจใจอันนี้คือเรื่องของการทําทานทําได้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะ นักบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ไหนมีความทุกข์ยากเดือดร้อนใครมีความทุกข์ยากเดือดร้อนแม้แต่คนในครอบครัวเราเช่นบิดามารดาถ้าอาจจะแก่เท่าอาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้การเลี้ยงดูบิดามารดาก็เหมือนกับการเลี้ยงดูพระภิกษุในในศาสนาพุทธนี้ เพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเรามากเหมือนกับพระอริยสงฆ์ที่มีพระคุณกับเราทางด้านจิตใจ ừ, การได้ทำบุญกับพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนกับการได้ทำบุญกับพระอรหรันต <ừ. S 1> ์เพราะพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่มีพระคุณเหมือนกับพระ อ, อรหันต์ที่มีพระคุณต่อพุทธศาสนิ ก, กชน ต่างกันตรงที่คุณของพ่อของแม่กับคุณของพระ อ, อรหรนันต์นี้ต่างกันพ่อแม่ก็ให้คุณประโยชน์คือให้ร่างกายให้ชีวิตเราส่วนพระ อ, อรหรนันต์นี้ก็ให้คุณประโยชน์ทางจิตใจให้จิตใจของเราช่วยจิตใจของเราให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นทําบุญกับพระ อ, อรหรันต หรือทำบุญกับพ่อกับแม่นี่ก็ได้บุญเหมือนกันพ่ะแม่เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกๆทุกๆคนอดี๋ไม่ควรมองข้ามพระอารหันต์ในบ้านก่อนที่เราจะออกไปทำบุญนอกบ้านดูว่าพระอารหันต์ในบ้านของเราได้รับการดูแลหรื อ, อยังอย่าปล่อยปละละเลยหน้าที่นี้ ดูแลพระในบ้านก่อนแล้วค่อยออกไปดูแลพระนอกบ้านพระในบ้านท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านมีพระคุณอย่างยิ่งกับพวกเราแล้วคือท่านให้ชีวิตกับเราให้ร่างกายนี้กับเรามาเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปหาพระอาหารหันต์เพื่อที่เราจะได้ศึกษาจากพระอาหารหันต์จากพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ ทำให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆนี่คือพระสองแบบพระในบ้านกับพระในวัดเบื้องต้นก็ต้องดูพระดูแลพระในบ้านก่อนถ้าพระในบ้านท่านสุขสั้นสบายท่านดูแลตัวท่านเองได้เช่นถ้าท่านยังไม่ยังไม่แก่เท่ายังมีกําลังวังชามีความสามารถที่จะ ดูแลตัวท่านเองได้เราก็ไม่ต้องดูแลท่านก็ได้เราก็ไปดูแลบุคคลที่สำคัญต่อเราก่อนคือไปดูแลพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าดูแลลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระอาหารหันต์ที่ต่อไปจะได้ไปเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปเมื่อเราได้ดูแล <S <S พระในบ้านแล้วแล้วพระนอกพระนอกบ้านแล้ว ถ้าเรายังมีกาลังที่จะแบ่งปันเสียสละได้ทีนี้เราก็ไปดูแลเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนกันต่อไปจะไปช่วยที่โรงพยาบาลก็ได้โรงพยาบาลก็ต้องการความช่วยเหลือเพราะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลาโรงพยาบาลที่ที่ต้องการการสนับสนุนาทางด้านเงินทอง ซื้อยาจ่ายค่ารักจ่ายค่าแรงของของแพทย์ของพยาบาลสร้างอาคารต่างๆซื้ออุปกรณ์ต่างๆบางทีงบประมาณทางราชาการจัดสรรให้ก็อาจจะไม่พอเพียงถ้าเรายังมีกำลังวังชาที่จะทำในทางนี้ได้ก็ทำไปเมื่อไม่นานหลายหลายปีมาแล้วก็มี ชาวพุทธท่านหนึ่งก็มีเริ่องสายศรัทธาในหลวงปู่มั่นมากก็บริจาคเงินประมาณร้อยล้านสร้างโรงพยาบาลประมาณสิบโรงด้วยกันในที่ในถิศธุรกันดารโรงพลสิบล้านเราก็ตั้งชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลหลวงปู่มั่นอันนี้ก็ทําได้ถ้าเห็นว่าศาสนานี่ มีพ่อโบริบูรแล้วไม่ไม่เดือดร้อนแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าได้รับการดูแลอย่างครบคันแล้วเราอย่างเหลือเฟือเอก็ไปช่วยเหลือทางอื่นต่อไปอย่างยุคที่หลวงตาอยู่ท่านก็ไปช่วยเหลือทางพระป่าช่วยชาติเพราะตอนนั้นประเทศชาติคือเศรษฐกิจตกต่ําป็นหนี้เป็นสิน ช่วยกันบริจาคเงินบริจาคทองช่วยชาติกันก็ได้อันนี้ก็เป็นการทําบุญเป็นการให้อาหารแก่จิตใจเช่นเดียวกันดีกว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างบางท่านซื้อรถคันละสิบล้านซื้อคันละยี่สิบล้านนั่งได้สองคนที่วัดนี้มีคนถวายรถบัสคันละสามล้านนั่งได้ยี่สิบ เอาพระไปบินธบาตได้ยี่สิบลูกแค่สามล้านคนหนึ่งซื้อรถเกง๋งคันเล็กๆนั่งได้สองคนราคาหกล้านคิดดูกันแล้วกันว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นต่างกันอย่างไรคนที่ขับรถหกล้านนี่ได้อะไรจากการขับรถหกล้านได้จากความหลงได้ความแต่ความเพิ่มปิติได้ความรู้สึกว่าตนเองโดดเด่นกว่าผู้อื่น มีรถที่มีราคาแพงวิ่งได้เร็วกาลรถของผู้อื่นแต่ประโยชน์มันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งมันก็ไปถึงเหมือนกันจะเป็นรถราคาหกล้านหรือรถราคาหกแสนมันก็ไปถึงเหมือนกันซื้อปิกอัพกันหนึ่งหกแสนก็ไปถึงเหมือนกันปิกอัพก็นั่งได้หลายคนสิบคนขึ้นไป มันทุกคนได้เยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าแต่เงินทองนี้กับใช้น้อยกว่าอันนี้คือการคิดที่ไม่เป็นนั่นเองไม่รู้คนที่ใช้ของฟุ่มเฟือยต่างๆนี้จะไม่รู้ความเรื่องของจิตใจของตนเองคิดว่ากำลังซื้อความสุขให้กับตนเองแต่ความเป็นจริงแล้วกำลังซื้อยาเสพติดให้กับตนเอง เราซื้อไอรถคันนี้มาไม่กี่วันเดี๋ยวมีรถคันใหม่เห็นคนอื่นก็มีรถคันใหม่ที่ดีกว่าเนี่ยมันก็อยากจะได้คันใหม่นะความสุขที่ได้จากไอ้คันนี้ก็หายไปหมดนะนี่ก็มีแต่ความทุกข์ความอยากได้รถใหม่ซื้อมากี่คันก็เหมือนกันเศรษฐีอาลับนี่บางคนมีสร้างโกดังเก็บรถเลยมีห้าสิบคันมีร้อยคันแล้วซื้อไปทําไม นี่คือซื้อตามความอยากไม่จะทําให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอกับมีแต่ความหิวความอยากเหมือนกับคนติดยาเสพติดต้องเสพอยู่เรื่อยต้องซื้ อ, อยาเสพติดมาเรื่อยๆนแต่ถ้าเอาเงินเนี่ยหกล้านนี้ขายรถหกล้านไปแล้วซื้อรถหกแสนมาขับมีต้องห้าล้านกว่าเอาไปทําบุญแทนเนี่ย ความรู้สึกต่อทางจิตใจนี้จะต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยไม่เชื่อลองทำดูดูว่าแล้วว่าจะผู้นี้จะผิดหรือจะถูกอย่างไรถ้าเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะประโยชน์ที่เราเห็นชัดๆแล้วเรายินดีเราเราชอบการทำบุญบางทีเราก็จะต้องเลือกทำบ้างเลือกทาใน บุญที่เราชอบลักษณะที่เราชอบที่เราเห็นผลกันชัดๆเนี่ยอย่างที่สังเกตนี่ญาติโยมจะชอบใส่บาตรกันเพราะเห็นผลชัดๆว่าพระจะได้ฉันจะได้ของที่เราให้นี่ท่านจะได้รับประโยชน์ทันทีแต่ถ้าเอาเงินประโยอกในตู้นี่หรือมีคนก็มาเลียรายให้ทําผ้าป่าทําผ้ากระถินนี่บางทีเราไม่รู้สึกกับ การทําบุญแบบนั้นเพราะเรามองไม่เห็นว่าเงินที่เราบรยอยจากไปนั้นจะเกิดประโยชน์อย่างไรนอกจากว่าถ้าเขาแจ้งมาว่าเป็นการสร้างโรงพยาบาลเนตอนนี้ได้ข่าวว่ามีหลวงพ่อกันหาท่านก็จะสร้างตึกโรงพยาบาลก็เลยมีการมาจัดตั้งตู้ให้ผู้บอยจากที่ต้องการร่วมบอยจากถ้าเรารู้ว่าจะเป็นการสร้างโรงพยาบาล เา้าถ้าเราชอบทำบุญแบบนี้เราทำเราก็จะได้ความสุขการทำบุญชนิดต่างๆนี้ก็เปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหารชนิดต่างๆคือทำแล้วมันได้ประโยชน์แต่จะได้ความความปิตินี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญชนิดต่างๆที่เราทำเหมือนกับอาหารอาหารทุกชนิดกินเข้าไปแล้วก็อิ่มท้องเหมือนกัน แต่อาจจะไม่อิ่มใจถ้ากินอาหารที่ถูกปากถูกคอนี่อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจเราจึงมักไปเลือกรับประทานอาหารตามร้านต่างๆตามร้านที่เราต้องการที่กินแล้วนอกจากให้ความอิ่มทางร่างกายแล้วก็ให้ความอิ่มทางใจด้วยคือถึงแม้จะเป็นความอิ่มเดี๋ยวเดียวแต่มันก็เป็นความอิ่มที่มันเป็นกิเลสแต่เราก็ยังชอบกันอยู่ ไหนๆจะกินทั้งทีก็ขอให้กินแล้วมันมีความสุขใจด้วยไม่ใช่เพียงแต่สุขกายอาการทําบุญก็แบบเดียวกันนี่แหละการทาบุญที่เราชอบทํากับทําบุญชนิดที่เราไม่ชอบทํานี่มันก็จะไม่มีมันมีความรู้สึกต่างกันตรงที่ว่าความปิติอาจจะมีไม่เหมือนกันแต่ความอิ่มใจสุขใจก็ได้เหมือนกันคือการเสียสละก้าวของเงินทองไปแล้ว ไม่ว่าจะทำบุญที่ไหนแบบไหนทากับโรงพยาบาลหรือทํากับโรงเรียนหรือตอนนี้มีชาวลาวเดือดร้อนเราก็ช่วยซื้อของหรือส่งเงินไปให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนทาแล้วเราก็เกิดความอิ่มใจสุขใจแต่จะไม่มากเท่ากับทําบุญชนิดที่เราชอบทา บางคนชอบพระสร้างพระพอได้สร้างพระแล้วมีความอิ่มใจสร้างพระพุทธรูปบางคนชอบสร้างโบสถ์สร้างเจดีอันนี้แต่ละคนก็มีมีความชอบไม่เหมือนกันสิ่งบุญชนิดต่างๆที่เราทำก็ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ความอิ่มใจสุขใจนี้เหมือนกันแต่ความปลื้มปิติอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนชอบสัตว์เลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์นได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วมีความปลื้มปิติบางคนชอบปล่อยนกปล่อยปลาบางคนชอบถ่ายวัวโคเอายถ่ายชีวิตวัวโคออันนี้เลือกทําได้อันนี้เป็นบุญเหมือนกันเป็นอาหารของใจเหมือนกันแต่ควรจะทําให้มันเป็นนิสัยถ้าทําได้ทุกวันจะดี ถ้าไม่สามารถทำได้ทุกวันเราก็สามารถทำแบบใส่กระปุกไปก่อนก็ได้ทำทุกวันแต่ถ้ายังไม่มีผู้รับเงินนี้เราก็เอาเงินที่เราจะทำบุญนี้ใส่กระปุกไปก่อนทุกวันวันละห้าบาทสิบบาทก่อนจะออกจากบ้านก็ทำบุญก่อนใส่บาทไม่มีผ้ามาบิณฑบาตก็เอาเงินนี้ใส่กระปุกไปก่อนถ้าเราทำอยู่ทุกวันมันจะ หนึ่งมันจะเป็นนิสัยจะติดนิสัยจะทำให้เราชอบทำแล้วมันจะมีบุญหลอดเลี้ยงจิตใจของเราทุกวันแล้วเวลาถึงเวลาที่เราจะไปทาบุญมีโอกาสเช่นวันเกิดหรือวันสาคัญวันหยุดอย่างวันนี้เรามีเวลาไปวัดเราจะได้มีเงินทำบุญถ้าเราไม่เก็บเงินใส่กระปุกไว้เอาเงินที่เรานี้ไปใช้อย่างอื่น พอมีโอกาสไปวันไปทำบุญหรือมีโอกาสไปทำบุญที่ไหนอาจจะทำไม่ได้มากทำได้เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่มีเงินทำแต่ถ้าเราทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเก็บไปเรื่อยๆพอถึงมีวันที่พอวันที่มีโอกาสจะต้องทำบุญวันเกิดหรือวันสำคัญทางศาสนาหรือเหตวันอะไรก็ตามโอกาสอะไรก็ตามเราจะได้มีเงินก้อน ที่จะได้ทำบุญอย่างเต็มที่ได้จึงหัดควรทำทุกวันให้ทานทุกวันจะให้โดยตรงเลยก็ได้เช่นถ้าไปทำงานเดินผ่านที่ทำงานมีขอทานนั่งอยู่เอาเอาเงินให้ขอทานก็ได้ถ้าเราอยากถ้าเราชอบทาบุญกับขอทานก็ให้ขอทานไปาทาทุกวันทาแล้วมันจะติดเป็นนิสัยมันจะทาให้ ทำง่ายถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันทำง่ายถ้ามันไม่เป็นนิสัยมันจะทำยากเวลาจะทำแต่ละครั้งมันอาจนั่งคิดนอนคิดอยู่เรอยว่าจะทำดีไม่ดีจะทำมากหรือน้อยเพราะว่ามันนิสัยของคนเราทุกคนนี้มันมันเสียดายมันหวงข้าวของเงินทองกันมันจะไม่อยากจะทำกันเราต้องใช้เหตุผลบังคับมันให้ให้เราต้องทำบุญ เหตุผลก็คือเราต้องเลี้ยงดูจิตใจของเราการทำบุญนี้เป็นการให้อาหารแก่จิตใจของเราถ้าเราเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้เป็นการไปทำลายจิตใจของเราว่าไปทำให้จิตใจเราไปติดยาเสพติดนั่นเองติดสิ่งเสพติดต่างๆ น, นี่คือเหตุผลทีว่าทำไมเราต้องทำบุญกันให้ทานกันแล้วทำไมต้องทำทุกวัน พวามมันจะได้เป็นนิสัยแล้วมันจะทําง่ายพอเคยทําทุกวันละวันไหนไม่ได้ทําจะรู้สึกขาดอะไรไปมีญาติโยมบางคนบางทีตื่นสายอใส่บาตไม่ทันพับไปผ่านไปแล้วก็ต้องขี่รถขับรถมาใส่เพราะว่าพอเคยทําแล้วมันจะติดเป็นนิสยัยพอวันไหนไม่ได้ทําแล้วรู้สึกว่ามันขาดอาหารเหมือนกับไม่ได้รับประทานอาหารน นี่คือวิธีทำทานเป็นการให้อาหารแก่จิตใจเป็นบุญชนิดแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำเป็นหนึ่งในปัจจสี่ปัจจสี่ที่ข้อที่สองที่เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มของจิตใจก็คืออะไรก็คือศีลศีลนี่เนาะจะปกป้องรักษาคุ้มครองจิตใจจากภัยต่างๆเหมือนกับร่างกาย เรามีเสื้อผ้าไว้สำหรับปกป้องร่างกายจากแรลงสัตัูต่อยต่างๆและป้องกันจากภัยจากอากาศหนาวเย็นเวลาเกิดอากาศหนาวเย็นนี้เราต้องมีผ้าห่มกันมีเสื้อผ้ากันหนาวกันเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้หน้าที่เครื่องนุ่งห่มของร่างกายก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็ปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้มีภัยมาคุกคาม เอกส่วนหนึ่งก็เพื่อเสริมสวยความสวยงามของร่างกายนั่นเองเราซื้อเสื้อผ้า่อนนอกจากเอามาใช้ป้องกัน ร, ร่างกายแล้วเราก็ยังต้องดูว่ามันสวยไหมใส่แล้วเราจะมีบุ ค, คลิกที่น่าดูขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหมสำหรับร่างกายสำหรับจิตใจก็เหมือนกันสีนนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าอภรรของจิตใจ ที่จะมาคุ้มครองจิตใจไม่ให้ถูกภัยต่างๆมาคุกคามภัยที่จะคุกคามจิตใจก็คือสี่ ส, สี่อย่างด้วยกันเรียกว่าอบายสี่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกถ้าใจมีศีลแล้วจะไม่มีภัยเหล่านี้มาคุกคามจะไม่ไปจะไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกผู้ที่รักษาศีลห้าได้คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดและละเว้นจากการดื่มสุรายาเมานี่คือศีลที่เป็นเหมือนเสื้อผ้าอภรร จะปกป้องจิตใจไม่ให้ตกต่ำจากความเป็นมนุษย์ตายไปจิตใจจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกนี่เป็นภัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายตายแล้วและขณะที่ร่างกายอยู่ก็จะปกป้องภัยที่จะเกิดขึ้นในขณะมีชีวิตอยู่ผู้ที่ไม่ไม่ทำบาปนี้จะไม่ต้องไปใช้ ไปรับโทษต่างๆเหมือนกับผู้ที่ทําบาปนะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปถูกประหารชีวิตนพวกที่ไปติดคุกติดตารางถูกประหารชีวิตก็เพราะว่าทําบาปกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นการป้องกันภัยนอกจากการป้องกันภัยแล้วก็ยังเป็นเหมือนเสริมสวยความงามของจิตใจด้วยเป็นเสื้อผ้าอภรที่ทาให้เสริมบุคลิกของจิตใจ ให้จิตใจเป็นคนที่น่าดูน่ารักน่าชื่นชมคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี่เราจะเลือกใครเราจะชอบใครชอบคนที่มีศีลหรือชอบคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลถ้าเราไปอยู่ใกล้เขาเดี๋ยวเราก็อาจจะถูกเขาเบียดเบียนไดถ้ถ้าเขาถ้าเขาอยากจะรักทรัพถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะรักทรัพได้ ท่าก็มีโอกาสเขาอาจจะมาประพฤติผิดปรวเวณีกับแฟนเราก็ได้หรือโกหกหลอกลวงเราหรือถึงกับค่าเราก็ได้คนที่ไม่มีศีลจึงเป็นคนที่น่าเกียดไม่สวยงามส่วนคนที่มีศีลนี่เป็นคนที่น่ารักความสวยงามของทางจิตใจนี่ดูดดื่มกว่าความสวยงามทางร่างกาย บางคนสวยงามทางร่างกายด้วยการเสริมความงามต่างๆด้วยเสื้อผ้าผ่อนแต่จิตใจไม่สวยงามนี่ก็จะไม่มีใครที่จะคบค้าสมาคมด้วยอาจจะคบกันในช่วงแรกๆช่วงที่ยังไม่เห็นความไม่สวยงามของจิตใจเพราะการจะดูความสวยงามหรือไม่สวยงามของจิตใจนี้ต้องใช้เวลาต้องอยู่ด้วยกันต้องทำอะไรด้วยกันถึงจะเห็น ถ้าถ้าถ้าเห็นแต่ทางร่างกายนี้ก็จ ะ, ะถูกหลอกได้เพราะร่างกายนี้ทุกคนสามารถซื้อเสื้อผ้าผสวยสวยๆงามๆา ม, มาใส่ได้มาเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางด้วยการทําผมทําอะไรต่างๆได้พอเห็นด้วยตาก็อาจจะเกิดความชื่นชมยินดีขึ้นมา ท, าทันทีแต่พอมาอยู่ร่วมกันสักระยะหนึ่งแล้วนี้ก็อาจจะ เห็นความสวยแล้วไม่สวยของจิตใจตามมาถ้าไม่มีศีลนวะรับรองได้ว่าอยู่กันไม่รอดอยู่กันไม่นานถ้าอยู่กับแฟนที่ชอบไปประพฤติผิดประเวณีนี่เราจะอยู่กับเขาไหมเราไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้เขาจะไปนอนกับใครวันนี้เขานอนกับเราพอเราไม่อยู่บ้านเดี๋ยวเขาไปนอนกับคนอื่นถ้าเรามารู้อย่างนี้เข้าที่หลังเราจะอยู่กับเขาได้หรือเปล่านี่ก็คือ ความสวยงามที่แท้จริงนี้ต้องสวยที่จิตใจความสวยงามตามร่างกายนี้เป็นความสวยงามแบบผิวเผิเนเหมือนเปลือกของผลไม้เปลือกผลไม้นี้อาจจะสวยแต่ตัวผลไม้เองนี้อาจจะไม่อาจจะเน่าเปลือกนอกอาจจะสวยแต่พอแกะเข้าไปพอจะกินเนื้อไปเจอเนื้อมันเน่าหรือเนื้ อ, อ, อมันยัง ไม่สุกนี้หรือว่ามันเปรี้ยวหรือมันขมอย่างนี้ก็กินไม่ลงแต่แม้ว่าเปลือกจะสวยงามอย่างไรก็กินไม่ลงฉะนั้นจิตใจก็เหมือนกับเนื้อส่วนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับเปลือกฉนั้นเวลาที่เราถ้าเราอยากจะให้เราเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่น่ารักนี่ให้เรามาสวยงามที่เนื้อดีกว่าอย่าไปสวยงามที่เปลือก เพราะเขาไม่กินเปลือกกันเวลาแกะผลไม้ออกมาก็โยนเปลือกทิ้งหมดสวยงามขนาดไหนก็ไม่สนใจจะมุ่งไปที่รับประทานที่เนื้อถ้าเนื้อไม่อร่อยไม่ไม่น่ากินก็โยนทิ้งไม่หมดเลยถ้าเนื้ออร่อยก็จะกลับไปซื้ออยู่เรื่อยๆกลับไปหาอยู่เรื่อยๆนี่คือศีลคือเสื้อผ้าอ่อนของจิตใจผู้ที่มีศีลจงเป็นผู้ที่ มีคนเคารพนับถือเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งปวงีท่านมีศีลบริสุทธิ์้อยเปอร์เซ็นต์ลอดเวลาไม่มีการกระทำใดๆของท่านที่จะผิดศีลเลยถูกต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมพวกเราจึงกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างสนิทใจเพราะเรามีความเคารพนับถือในความความสวยงามของท่านนั่นเอง ในความดีงามของท่านถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักน่านับถือเป็นคนที่มีคนรักคนเคารพเราก็ต้องมีศีลมีถ้าเราไม่มีศีลต่อให้เราร่ำรวยขนาดไหนเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็จะไม่มีใครเคารพรักเราถ้าเขาแสดงอาการแสดงการเคารพก็เป็นกิริยาท่านั้นเป็นมารยาทแต่จิตใจอาจจะไม่มีความรู้สึก เคารนับถือแต่อย่างใดแต่ทำไปตามมารยาท ต, ตามกฎกติกาของสังคมเมื่อเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อเขาเป็นผู้ที่มีพลังทางเงินทางทองเราก็อาจจะต้องให้ความเคารพกับเขาแต่ไม่ได้เคารพด้วยความออกมาจากใจแท้นี่คือ ปัจจัยข้อที่สองของจิตใจก็คือีินยิ่งมีศีนมากเท่าไหร่ยิ่งสวยงามมากขึ้นไปเท่านั้นมีสินห้าศินแปดศินสิบสนสองรอยี่ส2บเจ็ดเราจึงให้ความเคารพกับบุคคลต่างๆไม่เท่ากันเราให้ความเคารพกับบุคคลที่มีศินห้าน้อยกว่าบุคคลที่มีศีนแปดสินแปดก็น้อยกว่าบุคคลที่มีศสินสิบ สินสิบก็น้อยกว่าบุคคลที่มีสินสองร้อยย่ิบเจ็ดนนตกแล้วถ้าจาเป็นต้องขยับขยายก็ทำได้หรือว่าถ้าอยากจะลองดูว่าจะตกนานไม่นานก็ลองทักพักดูถ้าขึ้นมาบนนี้ก็ได้หรือว่าไปที่ศาลาด้านหลังก็ได้ อาจจะตกไม่นานก็ได้เทวดาอาจจะมาประพรมน้ำมหมดให้มาอนุโมทนาหยุดแล้วมั้งหยุดล ะ, ะ, ดล ะ, ะเทวดามาอนุโมทนามาชื่นชมยินดีกับการมาทำบุญของพวกเราในวันนี้ไปละเทวดาไปล ะ, ะนั่งฟังต่อฟังปัจจัยสี่อีกสองข้อ อาหารด้วยการทำทาน เ, าเสื้อผ้าผ่อนด้วยการรักษาศีลเท่านต่อมาก็ที่อยู่อาศัยอไว้หลบดดหลบภยัยเช่นพายุฝนอย่างวันนี้ถ้าไม่มีศาลาถ้านั่งอยู่กันข้างนอกก็ต้องเปียกกันต้องอแต่ถ้าเรามีศาลาสร้างเอาไว้เวลามีภัยเราก็เข้าไปหลบภัยได้ จิตใจก็มีไผ่จิตใจเวลาที่เราออกมาข้างนอกมาทําภารกิจต่างๆเราก็จะมาเจอปัญหาต่างๆมาเจอเรื่องราวต่างๆที่ทําให้จิตใจเราวุ่นวายใจไปหมดะถ้าเราอยากจะหาที่หลบเราก็ไปนั่งสมาธิกันเเอพราะจิตใจวุ่นวายเครียดไม่สบายใจปัญหาต่างๆลุมเร้าจิตใจเอ ก็ลองไปนั่งสมาธิดูเหมือนถูกพายุมารสมก็นนำก็ไปเข้าบ้านกันเวลามีฝนตกมีพายุนี่เราไม่ออกข้างนอกกันเราเข้าบ้านกันเพราะบ้านที่เราสร้างว่านี่ปลอดภยัยป้องกันภัยจากพายุจากภัยต่างๆได้นอกจากพายุก็ยังป้องกันภัยร้อนได้เดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีเครื่องปรับอากาศอยู่ข้างนอกร้อนก็เข้าไปในบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศ ถ้ามีภัยจากโจรผู้ร้ายก็เข้าบ้านอยู่ในบ้านก็ปลอดภัยถ้าออกไปนอกบ้านเย็นยามค่ําคืนนี้อาจจะถูกมุน่นถูกจี้ถูกปั้มได้ถ้าอยู่บ้านก็จะปลอดภัยจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราก็ต้องออกมาทางร่างกายมาทําภารกิจต่างๆพอมาทําแล้วก็อาจจะต้องมาเจอปัญหาต่างๆไปเจอเรื่องราวต่างๆ ก็ทำให้จิตใจเราไม่สบายได้ถ้าเราต้องการที่จะไม่ไม่ต้องการไม่สบายใจเราก็ไปหลบเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านเข้าไปในสมาธิเวลาจิตใจนั่งเวลาเรานั่งสมาธินี้เป็นการถอนใจออกจากร่างกายถอนใจจากการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง พอจิตใจเข้ามาในบ้านแล้วใจก็จะสบายใจก็จะสงบสมาธิก็เป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจวิธีสร้างบ้านของจิตใจนี้ก็คือให้สร้างด้วยสติสตินี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้สร้างบ้านของใจสร้างเดือนใจต้องสร้างด้วยสติสติก็คือการเลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องถึงเรื่องราวต่างๆเป้าหมายของการจเจริญสติ ก, ก็เพื่อยับยั้งความคิดปรุงแต่งของใจที่ที่มักจะปรุงแต่งเอาเรื่องเอาปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าจิตใจทำให้จิตใจรุ่มร้อนทำให้จิตใจไม่สบายถ้าเรามีสติคอยระงับความคิดปรุงแต่งได้จิตใจก็จะไม่เอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาจิตใจก็จะถอย เราอนออกจากตาหูจมูกลิ้ไกายชั่วคราวหลบเข้าไปอยู่ในบ้านยึดบ้านก็คือสมาธิคือความสงบถ้าเราใช้สติดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพธะออกจากความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่งเข้าสู่ความสบายเข้าสู่อุเบกขาสักตะวารุ อันนี้เป็นที่หลบภัยเวลาที่เรามีปัญหารุมเร้าจิตใจเราไม่รู้จะทำอย่างไรดีเราก็ใช้วิธีหลบไปก่อนหลบไปเข้าไปอยู่ในบ้านถ้าเราฝึกสติบ่อยๆเข้าสมาธิได้บ่อยๆนี้ความทุกข์ใจเราสามารถที่จะหลบได้แต่ไม่สามารถทำลายมันได้เพราะเดี๋ยวพอเราออกมาเราก็จะต้องมาเจอมันอีก การมาเจอปัญหาต่างๆที่เรายังไม่สามารถที่จะกำจัดได้ก็เป็นเหมือนกับเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เรายังไม่มียารักษาวิธีที่จะรักษาความทุกข์ความเครียดต่างๆให้มันหายไปโดยที่ไม่ต้องหลบเข้าไปในบ้านหลบมันก็ไม่หายเวลาหลบเข้าไปในบ้านมันก็ไม่เข้ามาหาเราพอเราออกไปนอกบ้านเราก็ต้องไปเจอมันอีก ใจของเราก็เหมือนกันเวลาหลบเข้าไปในสมาธิความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆมันก็ไม่เข้ามาในใจเราแต่พอใจเราต้องออกมาข้างนอกมาทางร่างกายมารับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายความเครียดมันก็จะกลับมาอีกความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะกลับมาอีกการที่เราจะกําจัดความทุกข์ความเครียดซึ่งเป็นเหมือนโรคภยัยไข้เจ็บของใจ เราก็ต้องใช้ธรรมโอสถคือปัญญาปัญญานี่เป็นปัจจัยข้อที่สี่คือยารักษาโรคจิตใจถ้ามีปัญญาแล้วไม่ต้องหลบไปในสมาธิก็ได้ถ้าต้องออกมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกับการรับประทานยาพอได้ยาแล้วก็ไปทำงานได้บางทีถึงแม้ ย, ยังจะมีโรคแต่พอ เระประทานยามันอาการต่างๆก็เริ่มบรรเทาถึงแม้มันจะยังไม่หายก็ยังสามารถทำลายได้ถ้ามียาอันนี้ก็เป็นยาของจิตใจก็คื อ, อปัญญาหรือความความรู้ตามหลักของความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงโลกของพวกเราเกิดจากโลกใจนี้เกิดจากการหลงการมองไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆเท่า น, นั้นเอง พอไม่เห็นความจริงก็ไปหลงไปลักไปชอบไปยึดไปติดไปอยากได้ขึ้นมาพอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ ก, กันเครียดกันนี่พระพุทธเจ้าทรงก้นพบความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหลงไปลักไปชอบไปอยากเช่นลาบยศสลเสรนเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตะชนิดต่างๆนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแต่เรากลับไปมองเห็นว่ามันเป็นสุขกัน อยากได้ราบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระกันได้มาแล้วพอมันทุกข์ก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันบรรทุกกันกลับไปกลับไปหามันใหม่เพราะว่าสิ่งที่เราได้มาที่ทำให้เราทุกข์เพราะมันได้มาแล้วมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปเราก็ทุกข์แล้วแล้วพอทุกข์แทนที่เราจะหยุด ไม่ไปหามันเรากลับไปหามันต่อเพราะเราหยุดไม่ได้เพราะเราต้องมีมันเพราะเวลามีมันเรามีความสุขแต่เวลามันไม่มีมัน e เรามีความทุกข์กันเราจึงพยายมามไม่ให้มันไม่มีมันเพอไม่มีมันหายไปมันจากเราไปเราก็รีบไปหามาใหม่ทันทีเราเลยต้องมาเครียดกับการหาแล้วสักวันหนึ่งเราก็ยะต้องเจอวาระที่เราจะหาไม่ได้อยากได้แต่หาไม่ได้ เป็นบางทีเงินทองหมดเนี่ยอยากจะหาความสุขซื้อด้วยเงินทองก็หาไม่ได้หรอกหาไม่ได้ก็เครียดมากๆบางทีเครียดจนกระทั่งทนอยู่ต่อมไม่ได้ก็คิดข้าตัวตายกันเดี๋ยวนี้ก็แต่ถ้ามีธรรมโอสถ์มีปัญญาก็จะเห็นว่าของต่างๆที่เราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขนั้นมันเป็นความทุกข์าบยศสรรเสริญลูบเสียงกลิ่นรด มันไม่เที่ยงเราจะบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็อย่าไปมีมันดีกว่าเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่ามาเข้าบ้านของเราอยู่ในบ้านดีกว่าทําใจให้สงบไม่ต้องไปหาราบยศตรรเสริญไม่ต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจอย่างนี้ สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไปหมดไปเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ดูตัวอย่างของคนที่เขาทุกข์กันเวลาเขาสูญเสียสิ่งที่เ้ารักไปนี่เขามีความสุขไหย ม, มีแต่ร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเราก็จะต้องเป็นเหมือนเขาถ้าเราไปหลงไปรักใครไปชอบอะไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะต้องมีการสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปน แต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าเราอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับสมาธิดีกว่าเวลาไม่มีความสุขก็เข้าไปในสมาธินั่งสมาธิแทนดีกว่าที่จะไปหาสิ่งที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันหมดไปเวลามันเสื่อมเวลามันเปลี่ยนไปนี่คือปัญญาคือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นตายักตครับ เห็นว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงเพราะเราอยากให้มันเที่ยงเราก็ทําให้มันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันอนัตตาก็คือมันไม่อยู่ภายใต้อออํานาจของเราที่เราจะไปสั่งให้มันเที่ยงได้นั่นเองให้เราเห็นทุกอย่างเช่นลาบยศจระเสรนรูเสียงกลิ่นรสว่ามันไม่เที่ยง เราจะได้หดความอยากออกเราก็จะถอยออกไม่อยากได้เพราะรู้ว่าถ้าอยากแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทุกข์ซูไปทำใจให้สงบดีกว่าเข้าไปนั่งสมาธิดีกว่าอันนี้ก็คือวิธีรักษาโรคใจต่อไปพอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ใจจะสงบไปตลอด เพราะตัวที่ทำให้เราวุ่นวายไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนี้เองนี่คือเรื่องการครับปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจที่เราเรียกว่าเป็นการทำบุญการทำบุญนี่ไม่ใช่เป็นการทำทานอย่างเดียวนอกจากทำทานแล้วก็ต้องรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ต้องมาฝึกเจริญปัญญา สอนให้ใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจ ส, สเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากตัณหาความอยากการที่จะระงับความอยากก็ต้องมีเห็นไตรลักษณ์นั่นเองนี่คือเรื่องของการมาทําบุญเพื่อมาเลี้ยงดูจิตใจเหมือนกับเราเลี้ยงดูร่างกายร่างกายเราสมบูรณ์เหลือเฟือให้เวลาเลี้ยงดูร่างกายอาทิตย์ละหวัน แต่เรื่องจิตใจนี้ไม่รู้ว่าอาทิตย์หนึ่งจะได้ดูแลกันบ้างมากน้อยเพียงไรอาจจะปีหนึ่งอาจจะดูแลกันสักสองสามครั้งในวันสําคัญต่างๆอันนี้ไม่พอจิตใจของเราจึงมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าเราดูแลจิตใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยะสงสาวกดูแลก็ดูแลกันทุกวัน น, ะนักบวชนี้เขาไม่ดูแลอะไร เขาวเวลามาดูแลจิตใจทุกวันร่างกายเขาก็ดูแลทุกวันแต่ดูแลแบบง่ายๆคือการบินทบาตการรับทานของผู้อื่นเพื่อจะได้มีเวลามาดูแลจิตใจได้อย่างเต็มที่จิตใจของท่านเลยหลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาจิตใจของเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเราเชื่อและทำตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุก รและสั่งสอนให้พวกเราทำกันดังนั้นหน้าที่ของเราก็คืออยู่ที่การน้อมเอาพระธรรมาำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วความสุขและความเจริญความแค่วแกรปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พ่อนยาทถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกักปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตัาเปปุเรนโตสังกปาจันโทปนระราโสยทถา มนิโชโตอะราโสยะาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนสีดิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติ อายุวันสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลย <c oughs> ถามได้จนถึงเวลาเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วก็จะของดถามตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามา แล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยสามสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบสามวิทยุออนไลน์สี่สิบรับฟังข้างบนนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยหกสิบเจ็ดครับมันจะตรงกับสามตองหกนะใกล้ๆ ถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวสง่งไมโครโฟนไปพูดใกล้ๆปากหนะ่อยขอขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะอยากสอบถามพระอาจารย์เรื่องของจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นนะคะว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยต้องระดับไหนที่มันก่อพบก่อชาติที่ทำให้เราไปเกิดอีกแล้วก็เราจะพิจารณาเรื่องของความยึดมั่นถือมั่น ตรงนี้ยังไงว่าเรายังยึดอยู่มากน้อยแค่ไหนอะค่ะการยึดมันถือมันแม้แต่นิดเดียวมันก็พาให้ไปเกิดได้มันต้องไม่ยึดมันถือมันการที่เราจะรู้ว่าเรายึดมันถือมันหรือไม่ก็ดูที่ว่าเราอยู่คนเดียวได้หรือไม่ถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ไม่ยึดมันถือมันถ้ายังต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ อน่ะยกเว้นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายคือปัจจัยสถ้าเรายังต้องมีปัจจัย5ปัจจัยหกอยูย่แสดงว่าเราอยัางยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราก็ดูพระเป็นตัวอย่างดูพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นตัวอย่างท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่กับปัจจัยสถ้าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ท่านมายึดมาเถือมาติด ดันั้นก็สิ่งที่ติดได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราขาดศีลสมาธิปัญญาเราก็จะต้องไปพึ่งสิ่งอื่นแทนเราก็ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งอื่นที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีศีลสมาธิปัญญานี้ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันถ้าเรามีแล้วมันก็จะมีอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆ ง, งั้นพระุทธเจ้าสอนให้เรามายึดในสิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นที่พึ่งของเราให้ความสุขกับเราไปได้เรื่อยๆ อ, อย่าไปยึดกับสิ่งที่เป็นที่พึ่งชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเข้าใจน ะ, ะครับคําถามต่อคําคําถามจาก ผู้ฝากถามครับกราบนมัสการพระอาจารย์การกระทําต่อไปนี้เป็นการผิดพระวินัยหรือไม่เจ้าคะมีสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งเอาเงินไปจองกรถินหรือใส่ซองทอดกรถินไม่ทราบเข้าใจเอาเงินของใครเอาไปท้ยอะไรมทาถามไม่ชัดเจนถ้าเอาเงินที่เขาถวายแล้วไปใช้ส่วนตัวนี้ก็ผิด เขาให้ไปสร้างกุฏิก็ต้องไปสร้างกุฏิถ้าทําไม่ได้ก็ต้องบอกเขาว่ารับไม่ได้จะมีคนส่งเงินไปให้หลวงตาสร้างกุฏิที่วัดหลวงตาก็ส่งกลับราะว่าที่วัด น, นี้ไม่ต้องการสร้างกุฏิดังนี้กุฏิพออยู่แล้วท่านก็ส่งเงินกลับไปหรือว่าถ้าท่านเอาถ้าท่านคิดว่าเอาเปเงินทําบุญเอาเพืให้สร้างกุฏิแต่อาจจะเอาไป ไปไปซื้อยารักษาโรคนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นยังไม่ได้เป็นการทําผิดเสียหายเพราะเพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายของการใช้เงินเท่านั้นเองแต่ยังอยู่ในกรอบคือใช้อยู่กับาศาสนาใช้อยู่กับวัดอยู่ก็อาจจะผิดเจตนาแต่ก็อาจจะไม่ถึงกับถือว่าเป็นการกระทําบาปถ้าเอาเงินไปใช้ในกิจการอย่างอื่นนะ ที่เจ้าภาพไม่ได้บาดนาให้เอาไปใช้นี่ก็ถือว่าผิดจะผิดหนักหรือผิดเบ า, เบานี้เราก็ไม่รู้ต้องไปให้เขาให้ขึ้นศาลของสงให้เขาพิจารณาดูเอาก็แล้วกันคำถามที่สองครับการใส่บาดพระด้วยอาหารแห้ง อ, อ๋อใส่ได้เพียงแต่ว่าไม่ควรจะใส่กับมือไม่ควรจะใส่ในบาด ควรจะฝากลูกศิษย์ให้เขาเก็บเอาไว้เพราะอาหารถ้าใส่บาตหรือรับกับมือนี่จะต้องสละหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่แต่ถ้าต้องการให้พระเก็บไว้ใช้กินในวันหน้าวันที่อาจจะไม่ขาดแคลนอาหารก็ต้องมอบให้กับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้ที่วัดบางวัดเขาจะมีห้องเก็บของอย่างของส่วนใหญ่ที่ญาติโยมมาถวายนี้เราก็ไม่ได้รับเองให้วางไว้เฉย เพรของมันมากแล้วของบางอย่างรับแล้วมันจะต้องสละภายในวันนั้นก็เลยไม่รับกับมือให้วาวางไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของและเวลาต้องการใช้ของก็สามารถที่จะให้ลูกศิษย์เป็นคนมาถวายให้ใหม่อีกทีได้ yeah. คําถามที่สามครับการใส่บาตรพระที่มารับบริจาคด้วยเงิน เพื่อที่ท่านจะนําเงินไปช่วยเหลือคนป่วยที่อาศัยอยู่ที่วัดถ้าผิดพระวินยัยคนที่ทําจะเป็นการส่งเสริมให้พระท่านทําผิดหรือไม่แล้วเราจะได้รับผลอะไรจากการกระทํานี้เจ้าคะคือการมาเรียลัยนี้ถ้าเป็นการบอกบุญก็ไม่ผิดเช่นบอกว่าจะสร้างโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ขอเงินจากคนที่ บอยจากโดยตรงเราขอเงินช่วยช่วยสร้างโรงพยาบาลขอเงินจากคนนั้นคนนี้อันนี้ขอได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ผู้ที่ขอผู้ที่จะให้นี้ต้องเป็นผู้ที่แสดงเจตจํานงไว้ล่วงหน้าก่อนคือประวาหนาตัวไว้ก่อนหรือถ้าเป็นญาติพี่น้องนี้ขอได้พระจะขอได้จากบุคคลสองประเภทคือที่เป็นญาติพี่น้องหรือเป็นบุคคลที่เสนอตัวไว้ว่าถ้าต้องการอะไรบอกเขาได้ ก็ขอได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นทั้งสองประเภทนี้ไปขอก็ผิดพระวิ น, นัยแต่การบอกบุญเช่นเราตู้บริจาคไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆแล้วเขียนป้ายว่าจะไปสร้างโรงพยาบาลหรือไปช่วยผู้ป่วยอนาถาอันนี้เป็นการบอกบุญไม่ได้ไปขอก็อยากจะร่วมบุญก็ใส่ที่เข้าไปในตู้ได้หรือเวลาที่เราเจอก แจกซองกรถิ่นนี่ก็เหมือนกันถือว่าเป็นการบอกบุญเอให้สองมาแล้วเราจะไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้เพราะเขาไม่ได้ขอจริงแต่เราตอนนี้เราเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับการถูกบีบ บ, บบังคับไปแต่มันก็เป็นเรื่องของการบอกบุญบอกให้รู้ว่ามีการทําบุญถ้าอยากจะร่วมบุญก็เชิญถ้าไม่ร่วมบุญก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ขอยังก็ต้องแยกแยะให้ถูก ถ้าเป็นการบอกบุญก็ไม่ผิดเพราะไม่น่อยถ้าเป็นการขอก็ผิดแต่ผู้ให้ไม่เสียหายผู้ให้ก็ให้ก็ได้บุญเหมือนกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบพระอาจารย์หนูมีเรื่องทุกข์ใจมากครั้งหนึ่งหนูเคยคิดฆ่าสามีตัวเองไม่ใช่แค่คิดนะคะ หนูลงมือฆ่าเขาด้วยการวางยาสองครั้งแต่เขาไม่เสียชีวิตเขาดิ้นรนทุรนทุรายจากพิษเจ็บปวดทรมานสาเหตุที่หนูคิดฆ่าเขาเพราะเขานอกใจหนูทำให้หนูเสียใจทุกใจมากอาคาดแค้นตอนนี้หนูกับเขาเลิกกันไปนานแล้วแต่เหมือนกรรมกำลังตามหนู หนูเจอแต่เรื่องทุกข์ใจแสนสาหัสหนูจะแก้กรรมได้อย่างไรบ้างคะก็ต้องหรักษาควบคุมจิตใจคือกรรมที่เราทํานี่เราไปแก้ไม่ได้แต่เราควบคุมจิตใจอย่าไปทํากรรมใหม่ได้กรรมที่เราทําแล้วเหมือนหนี้ที่เราไปกู้แล้วกู้นี้ยืมสินมาจะให้ไม่ไ ป, ไปใช้หนี้ไม่ได้ เวลาเจ้าหนี้เขาก็มาทวงหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้ไปแต่เราสามารถป้องกันหนี้ใหม่ได้กรรมใหม่ได้ด้วยการคอยควบคุมจิตใจเอากรรมเก่านี่มาเป็นเป็นบทเรียนสอนใจทำบาปแล้วเนี่ยก็จะได้รับผลอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะรับผลแบบนี้ในอนาคตก็อย่าทาบาปก็ทำได้เท่านี้แต่จะไปห้ามกรรม ที่เราได้ทำไวาแล้วไม่ให้ส่งผลนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะส่งผลเร็วและส่งผลช้าเราอาจจะหนีกรรมได้ถ้าเราไม่กลับมาเกิดเช่นองคุลิมานนี่ฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสบเ้าคนพอมาเจอพระพุทธเจ้าก็ได้ก็ได้ยุติการฆ่าแล้วก็ปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่มารับกรรมใหม่ รับกรรมเชื่อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่มีร่างกายอันใหม่จะมารับกรรมใหม่อีกต่อไปคำถามจากคุณเล็กกราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากถามเรื่องมุทิตาในพรมวิหารสี่ครับเมื่อบุคคลอื่นหรือคนที่เรารู้จักประสบความสำเร็จในลาบยศ สรรเสริญแต่เราไม่ได้ชื่นชมยินดีด้วยเพราะรู้สึกในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนเรารู้สึกเฉยๆแบบนี้ถือว่าไม่มีมุติตาไหมครับก็ไม <c ười> ่มีถ้ามีมุติตาก็ต้องมีความชื่นชมยินดีแต่ก็การมีมุติตานี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําทุกกรณีกับทุกคนไป ถ้าเราไม่ชื่นชมเราก็อุเบกขาใช้อุเบกขาก็เฉยๆไปแต่การแสดงความชื่นชมมันก็ดีอย่างเพราะเราก็มีความสุขไปกับเขาเช่นทีมเราทีมชาติชนะบอลโลกนี้เราก็ไปมูดิตาเขาเราก็มีความสุขกับเขาแต่ถ้าเราไม่ไปมูดิตาเราก็เฉยๆอยู่บ้านก็ไม่ไม่ได้รับความสุขจากการไปแสดงมูดิตา การแสดงมุติตานี้เพื่อประโยชน์ของตัวเราผู้แสดงทำให้ผู้แสดงมีความสุขแต่บางทีเราอาจจะแสะดงไม่ออกเพราะผู้ที่เขาเจริญก้าวหน้าอาจจะเป็นศัตรูกับเราอย่างนี้ก็ถ้าไม่สามารถบังคับใจเราให้มุติตาได้เราก็เฉยๆไปแต่อย่าไปกล่าวร้ายหรืออย่าไปไ ป, ไปเหมือนกับไปขัดความเจริญของเขา เช่นไปฟออ้องร้องว่านี่ทำผิดออย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ไม่ควรทำเพราะเป็นการก่อกรรมก่อเวรถ้าเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนชั้นอะไรก็ปล่อยเขาไปถึงแม้เราอาจจะรู้ว่าเขาทำผิดกฎผิดระเบียบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่ไปขัดขวางความสุขความจเจริญของเขาอย่างนี้ก็ถึงแม้ไม่ได้จเจริญมุนีตาก็ไม่ได้ไปทำ บาปทาไปสร้างปัญหาให้กับเรากับเขาให้เกิดขึ้นไปก่อกรรมก่อเวรกันแต่ถ้าเราสามารถใจกว้างเป็นคนที่มีธรรมะสูงก็เห็นว่าใครทําดีก็ควรจะสนับสนุนเขาใครได้ดีได้ดีก็ควรจะชื่นชมยินดีกับเขาไปอย่าไปอิจฉาลิษยาอย่าไปขัดขวางความสุขความเจริญของผู้อื่น อันนี้มันก็จะทำให้เรามีความสุขคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการนั่งภาวนาโดยการบริกรรมพุทธโธโดยการหายใจเข้าท่องพุทธหายใจออกท่องโทใช่ไหมคะหรือให้ท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับการหายใจเข้าออก ดิฉันรู้สึกสับสนเวลาปฏิบัติค่ะออก็ทำได้หลายแบบนวิธีนั่งสมาธินี้จะดูลมอย่างเดียวก็ได้โดยที่ไม่ต้องพุโทโธเพียงแต่เฝ้าดูว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหายใจออกให้เฝ้าดูเฉยๆอันนี้ก็วิธีหนึ่งอันนี้วิธีอ r i g i n a ัอันนี้มาจากพระไตปิฎกพระพุทธเจ้าสอนอนาปนาสติให้มีสติอยู่กับการ เห็นลมเข้าเห็นลมออกเพื่อหยุดยับยั้งความคิดปุ้งแต่งต่างๆเพราะถ้าเราดูลมเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้อันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นดั้งเดิมวิธีนั่งสมาธิแบบดั้งเดิมให้ดูลมหายใจเข้าออกแต่ปัจจุบันบางท่านก็เห็นว่าดูลมยังดูไม่ได้เพราะใจมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถ้ามีพุโทโธมากำกับด้วย ก็จะช่วยให้ลดความคิดปรุงแต่งได้เขาก็เอาพุทธเข้าโทออกมาก็ได้ดูลมแล้วก็พุทธหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทแล้วจะทำให้หยุดความคิดปรุงแต่งได้ดีกว่าดูลมเฉยๆก็เอาสองอย่างมารวมกันหรือจะเอาแบบพุทธพุทธโทเข้าพุทโทออกก็ได้มีหลายลักษณะอันนี้ผู้ปฏิบัติก็สามารถปรับได้เหมือนกับเสื้อผ้า ล้วก็ซื้อมาแล้วถ้ามันแขนมันยาวไปแล้วก็เอาไปปรับทำให้มันสั้นลงได้อันนี้วิธีที่สองผสมกันพุทธเข้าโทรออกหรือพุทธโทรพุทโทไปกับลมหายใจเข้าออกวิธีที่สามก็ไม่อยากจะยุ่งยากกับเรื่องลมเลยเพราะมองเห็นลมไม่ชัดเจนเอาพุทธโทรอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุทธโทรพุทโ ท, ท, โทให้จิตอยู่กับพุทโทพุทโทจิตก็จะไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้ จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้นอกจากสามวิธีนี้แล้วยังมีวิธีเยอะแยะวิธีฝึกสมาธินี้ท่านบอกมีสี่สิบกรรมฐานมีสิบวิธีซึ่งเราไม่ต้องไปศึกษาทุกวิธีเหมือนกับร้านอาหารมีอาหารเยอะแ ย, ยะไปหมดสี่ห้าสิบชนิดเราไม่ต้องไปถามว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างเราสั่งเฉพาะชนิดที่เราอยากจะรับประทานก็พอเพราะ เราประทานอาหารชนิดไหนผลได้ก็เหมือนกันคือความอิ่มสมาธิจะใช้วิธีไหนผลก็คือความสงบเหมือนกันฉนั้นขอให้เราเลือกเอาวิธีที่เหมาะกับจิตใจของเราก็แล้วกันจิตใจของเราบางวันก็ฟุ้งบางทีดูลมไม่ได้ก็ต้องพุโทโธไปก่อนหรือพุโทโธไม่ได้อาจจะต้องสวดมนต์ไปก่อนก็ได้บางคนก็ใช้ใช้ปัญญาใช้เหตุผลมาวิเคราะห์ว่าวันนี้เราฟุ้งกับเรื่องอะไรฟุ้งไปแล้วเกิดประโยชน์อะไร เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ช่างมันปล่อยมันไปพิจารณาว่ามันเป็นไปรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาพอเห็นด้วยปัญญาก็อาจจะหายฟุ้งจากเรื่องราวต่างๆแล้วค่อยกลับมาดูลมหายใจต่อก็ได้หรือพุทโธต่อก็ได้งั้นการปฏิบัติบางทีมันเหมือนขับรถบางทีต้องมีการเปลี่ยนเกียร์บ้างเวลาขับอยู่พื้นราบเราก็ใช้เกียร์สูงได้ แต่พอจะขึ้นเขานี่เราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เพราะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็เครื่องก็จะน็อกไม่มีกำลังที่จะขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจเราบางวันก็ฟุ้งบางวันก็ไม่ฟุ้งฟุ้งมากก็อาจจะต้องใช้เกียร์ต่ำถ้าฟุ้งน้อยก็ใช้เกียร์สูงได้แล้วแต่สภาพจิตใจของเรานี่คือวิธีการฝึกสมาธินันผู้ฝึกจะต้องใช้ใช้ ต้องศึกษาก่อนแล้วก็แล้วก็ลองปฏิบัติดูแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามโอกาสเปลี่ยนเกียร์ตามโอกาสคำถามจากคุณเพลงจิตสุดท้ายก่อนเสียชีวิตควรระลึกถึงอะไรหรือควรทำสมาธิพุทโธจนดับไปทำอะไรได้ก็ทำไปเถอะนี่อยู่ที่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เท่านั้นเอง เหมือนนักมวยนี่ถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนแล้วคิดว่าพอขึ้นไปจะไปน็อกเขานี่มันน็อกเขาไม่ได้หรอกถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนนร้นเด็กนักเรียนนักศึกษาถ้าไม่ดูหนังสือก่อนแล้วเวลาไปสอบก็สอบตกแนี่มันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายมันอยู่อยู่ที่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ว่าเราฝึกซ้อมไว้สําหรับบังคับจิตให้มันแสดงตัวในบทสุดในในในจิตสุดท้ายได้หรือไม่ในวาระสุดท้ายได้หรือไม่ ถ้าเราไม่ซ้อมก่นกอนไม่เคยพูดโทก่อนพอถึงเวลาจะมาพูดโทมันพูดไม่ออกนะเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะมาะสั่งจิตได้ในวราระนั้นว่าจะให้มันทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราต้องฝึกมันสอนมันซ้อมมันตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วพอถึงเวลาเราก็จะทาได้คาถามจากคุณสถาพร ครับนมัสการครับเหตุใดคำว่าใจทางศาสนาจึงมีชื่อเรียกที่หลากหลายแต่ละคำใช้ต่างกันหรือไม่อย่างไรครับเช่นจิตมโนวิญญาณวิญญาณธาตุมันก็ต่างกันบ้างแต่มันตัวเดียวกันเหมือนคนเราก็มี ม, มีใช้สรัพนามต่างกันตอนเป็นเด็กก็เรียกว่าเด็กหญิงเด็กชาย พอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นนายเป็นนางสาวพอไปแต่งงานก็เป็นเป็นนายเป็นนางไปหรือถ้าไปทํางานได้รับตําแหน่งก็เป็นพระนัท่านไปหรือเรียนจบหมอก็เรียกเอานายแพทย์ไปอันนี้กํมังก็เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์จิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์คําว่ามโนนี่มันเป็นคําเดิมภาษาบาลี แปลตรงตัวก็แปลว่าใจส่วนจิตก็เป็นส่วนก็เป็นใจเหมือนกันแต่เป็นใจที่เราเป็นผู้คิดในใจนี้มีสองส่วนมีทั้งผู้รู้และผู้คิดถ้าพูดถึงผู้รู้ล้วนๆเขาเรียกว่าใจถ้าคิดถึงผู้คิดก็เรียกว่าจิตจิตใจบางทีก็เรียกคู่กันเพราะไปด้วยกันเหมือนสามีภรรยาเวลาเราเียนบัตรเชิญแล้วก็เชิญทั้งสองคน เป็นทั้งคุณหญิงคุณผู้ชายไปงานจิตใจก็มักจะไปด้วยกันเป็นของคู่กันเป็นอันเดียวกันแต่ทําหน้าที่สองหน้าที่แล้วเวลาอยู่ในร่างกายมีร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจพอออกจากร่างกายไปเราก็ไปเปลี่ยนชื่ออีกว่าเป็นวิญญาณล้เป็นดวงวิญญาณก็ดวงเดียวกันตัวเดียวกันนี่แลยงแต่พอเปลี่ยนสถานภาพเราก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อไปตามสถานภาพนั้นๆ แล้วคําว่าวิญญาณที่เป็นดวงวิญญาณกับวิญญาณที่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็คนละตัววิญญาณที่มีขณะที่เรามีร่างกายนี้วิญญาณนี่ก็เป็นส่วนของจิตที่ทําหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสจิตจะอาศัยวิญญาณมารับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อส่งไปให้จิตให้จิตได้วิเคราะห์ได้ให้คิดว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไร เมื่อรู้วิเคราะห์แล้วก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้ไปรับรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตที่เหมือนกับร่างกายมีอาการต่างๆมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันแต่มันก็เป็นองค์ประกอบของร่างกาย น้นก็เลยมีชื่อแตกต่างกันไปท่านั้นเองของเหล่านี้เราก็ต้องต้องศึกษาเช่นวันนี้ก็มาถามก็ถูกแล้วถ้าไม่รู้ก็ถามถามแล้วทีนี้ก็คงจะเข้าใจคาถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์ครับผลไม้น้อยหนามีเม็ดเยอะถ้าจะถวายพระควรทำอย่างไรครับคือการจะถวายของที่ อาจจะยังไปปลูกได้เช่นของที่มีรากเช่นผักชีผักบุ้งหรือว่าของที่ไม่มลราเช่นพริกหรือส้มหรือผลไม้ต่างๆนี้ท่านบอกต้องทำกับปิยะก่อนควาว่ากับปิยะก็คือทำให้สมควรต่อการบริโภคของพระ<ม>การจะทำกับปิยะท่านบอกให้ทำลายมันคือทำให้มันตายพูดง่ายๆ วิธีทาก็คือสำหรับญาติโยมที่มีเวลาก็แกะเม็ดออกให้หมดใช่เวลาจะถวายผลไม้ ก, ก็จะถวายแต่เนื้อจะเอาเม็ดออกให้หมดแต่ทางทางกรรมฐานทางาพระป่านี้ท่านก็มีวิธีแบบง่ายๆก็คือเวลาญาติโยมเอาของที่มี ม, มีมีชีวิตหมายถึงมีมเมล็ดมีอะไรนี้ก็ให้ฉีดมันออกไป สักหน่อยทําพิธีว่าได้ฆ่ามันแล้วด้วยการฉีกเปลือกอด้วยการหักถ้าเป็นผักบุ้งนี่ก็หักมันสักหน่อยทําอันเดียวแต่ทําให้มันให้มันติดกันเอาของนั้งหมดมาใส่ถาดอันเดียวกันแล้วก็เวลาทําให้มันติดกันอย่า ย, ยกส้มขึ้นมาลูกเดียวเอาส้มวางไว้ติดกับส้มลูกอื่นแล้วก็ฉีกเปลือกออกไปเวลาถ้าไปถวายของกับพระป่าถ้าเป็นพวกคนนี้ถ้าท่านจะถามก่อนว่ากับปียังกโรห oh ิ สมควรต่อการบริโภคหรื อ, อยังพอถามปั๊บยาโยมก็ฉีกมันเนือตัดมันแล้วก็บอกกับปิยะพันเตสมควรต่อการบริโภคแล้วครับนี่นี่คือวิธีที่จะทำลายสิ่งที่มีชีวิตเพราะสมัยโบราณเขาเชื่อว่าพวกผลไม้นี้มีชีวิตเพราะยังขึ้นได้ถ้ากินก็เหมือนกับฆ่ามัน พระพุทเจ้าก็เลยให้ให้ญาติโยมฆ่ามันก่อนเหมือนกับเนื้อสัตว์ต่างๆที่ญาติโยมเอามาถวายนี้ก็ต้องให้มันตายก่อนเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ตายก็กินไม่ได้หรือเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกก็กินไม่ได้เช่นเอาเนื้อที่ยังมีเลือดไหลซับๆอยู่นี้ก็ซิบๆอยู่นี้ก็กินไม่ได้ไข่ที่ยังไม่แ ข, ข็งไข่แดงที่ยังไม่แข็งก็กินไม่ได้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องมีชีวิตไม่มีชีวิต อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยหรือเปล่าไม่ทราบในอดีตเขาอาจจะรู้ว่าถ้ากินของดิบแล้วมันอาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็เลยห้ามไม่ให้ากกินของของดิบให้กินของสุกคัาถามจากคุณดิษศกรกราบนมาส ก, การครับจะทำอย่างไรและวางใจอย่างไรเมื่อโดนคนชอบเอาเปรียบครับ ก็ให้มองว่าเป็นอนัตตาอนัตตก็คือเป็นเหมือนธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับธรรมชาติได้ถึงแม้ธรรมชาติจะเอาเปรียบเราใช่ไมลมพัดบ้านเราพังอย่างนี้เราจะไปโกรธธรรมชาติได้ไหมก็ให้มองคนว่าเหมือนเป็นธรรมชาติเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้วันดีคืนดีเขาอยากจะมาทุบบ้านเราพังเขาก็ทุบได้ เราก็ต้องทําใจว่านี่แหละอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยอมหัดยอมรับว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องทิ้งมันอยู่ดีมันไม่พังก่อนเราก็เวลาวเราก็ต้องตายก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาอย่างนั้นใครมาเอาลัดเอาเปรียบเราก็คิเสียว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกนี้โลกนี้มีได้มีเสียจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องเสียทําได้ก็คือ อาจจะหลบกันไปหลีกกันไปถ้าเขาเอาลัดเอาเปรียบเราเราก็ถอยแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่ไปย้ายที่ทํางานไปถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเหมือนธรรมชาติเมือนน่อหนีไม่ได้ก็ต้องต้องยอมรับสภาพไปแต่อย่าไปตอบโต้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดเวรเกิดกรรมขึ้นมาอาจจะเสียมากกว่านี้ก็ได้อาจจะถึงกับชีวิตเลยก็ได้ถ้าเราไปทํา ตอบโต้เขาเดี๋ยวเขากลับมาทำร้ายเราหนักขึ้นกว่าเดิมเั็นวิธีที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็คืออยู่แบบสามยอ่อรู้จักคำว่าสามย่อไหมยอมหยุดเย็นยอมแพ้ขายจะเอาอะไรเอาไปหยุดต่อสู้ต่อต้านแล้วใจเราจะเย็นคิดว่าไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกทุกคนมาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ดนเขา อ, อกไปเขาก็ออาไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็เขาก็ต้องทิ้งมันอยู่นี้แล้วมีมันไม่สุขหรอกมีแล้วทุกสู้ไม่มีดีกว่าแบบพระพุทธเจ้านี่ท่าไม่มีท่านสุขกับพวกเราที่มีอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะยอมหยุดเย็นไนดะ้เย็นแล้วก็สบายใจเอาความเย็นใจดีกว่าเนี่ยนี่แหละเป็นความสุขเป็นสมบัติที่แท้จริงคือความเย็นใจสุขใจ อาแล้นะวันนี้ก็คิดว่าหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ